ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح م ي م الحمد لله رب العالمين ا ل ن العاقبة للمتقين العدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف ا ل أ و ل ي ن والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أياتي عام في الآيات يس السام ترودي อธิบายไ ป, ไปหมดเรียบร้อยแล้วเท่าคำนิดหนึ่งเพราะมันจะเกี่ยวกับอายาที่24ของสุรท ธ, ธิวบาในอายาที่23 Allah Subh'ana wa ta'ala ได้วางบันทักฐานในการที่จะเอาใครเป็นมิตรสนิสสนมใกล้ชิดในชีวิตของเรากล่าวคือบุคคลที่จะมีความพิเศษ ความวิเศษในฐานะที่จะรับความรักความไว้วังใจอย่างบริบูรณ์ <c oughs> จะต้องเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความศรัทธามากกว่าเรื่องอื่นซึ่ง Allah Subhanahu wa Taala ได้ให้ผู้ศรัทธานั้นได้ทำใจถึงที่สุดเกี่ยวกับบุคคลที่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิเสศรัทธามากกว่าอีมานมากกว่าความศรัทธานั้นว่าเขาเหล่านั้นไม่บังควรที่จะเป็นผู้เป็นมิตรที่มีความสนิทสนมและรับความไว้วังใจอย่างบริบูรณ์ผู้ใดที่จะเอาใครมาเป็นมิตรที่รับคอยรับความไว้วังใจและความรักดังที่อธิบายข้างต้นเนี่ย เขาเหล่านั้นและคนที่เอามาเป็นมิตรเนี่ยเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการปฏิเสธศรัทธามากกว่าความศรัทธาแล้วไส่เนี่ยเขาเหล่านั้นจะเป็นผู้อธรรมพระวิไลกับโฮมบอลิลมูนนี่คือเนื้อหาโดยสังเกตของอาย์ที่ส3บสามันมีเรื่องหนึ่งผมที่ผมลืมอธิบายบอกกับพี่น้องว่าเรื่องนี้นะไม่ได้เป็นบรรทัดฐานระหว่างมุสลิม ละคนที่ไม่ใช่มุสลิมมาอิสลามไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกกับมุสลิมว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมคนที่ไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาคนที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยมาเป็นมิตรรับความคอยวงความไว้วางใจความรักไม่ได้เพียงอย่างเดียวเพียงผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่างเดียวนะ่ะไม่ใช่แม้กระทั่งคนที่เป็นมุสลิมแท้ๆเนี่ยแต่พฤติกรรมของเขา พฤติกรรมของเขากิริยามารยาทของเขามีความเยี่ยงอย่างหรือมีความใกล้เคียงกับผู้ปฏิเสธอเขาก็ไม่บางควรที่จะรับความไว้วังใจและความรักเหมือนที่อัลลอฮฺสุบฮานาอาได้วางวางมาตรฐานไว้เช่นเดียวกันฉะนั้นจึงจึงไม่เป็นไม่เป็นข้ออ้างเลยนะที่ใครจะมาบอกว่านี่อิสลามแสดงว่าอิสลาม อิสลามสอนว่าให้เราไม่ไม่คนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยไม่ไ ม, ไม่เอามาเป็นไม่ไม่ใช่แม้กระทั้งมุสลิมแล้วผมเคย อ, อธิบายกับพี่น้องว่ า, วาความเป็นมิตรความเป็นมิตรเนี่ยสำหรับมุสลิมเองนะนะสำหรับมุสลิมด้วยกันนะนะเปรียบเสมือนเป็นวงหลายวงเราอยู่ในในในจุดกลางเนี่ยที่จะแสวงหาบุคคลที่เป็นมิตรนี่นะวง เล็กที่สุดนี่ยก็คือใกล้ชิดที่สุดเนี่ยในในเนี่ยจะต้องเป็นจะต้องเป็นวงที่สําคัญที่สุดอันนี้เนี่ยต้องมีมาตรฐานเข้มงวดไม่ใช่มุสลิมทั้งหมดเนี่ยจะอยู่วงเดียวแล้วลกันนอกวงนี้เนี่ยก็เป็นคนนี้ไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่ cry. แมก้กระทั่งมุสลิมเองก็มีหลายวงก็มีหลายวงขยาย ห, หลายวงอันนี้อันหนึ่งอัน น, น, นี้อันนี้เราจะได้เข้าใจแล้วก็แยกแยะนะครับแล้วก็อีกอย่างนึนความรักที่เราพูดถึงนเนี่คือความรัก ความรักที่มันเป็นไอบาดาคือความรักที่อัลลอฮฺสุบฮานาวาจาละจะตอบแทนด้วยการอุตสาด้วยการพยายามจากเราไม่ใช่ความรักที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติโดยสัญชาตญาณความรักที่เกิดโดยสัญชาตญาณเนี่ยอันนี้อันนี้ถ้าเราไม่ได้พยายามไม่ได้ไม่ได้ขึ้นมาเองนะมันจะเป็นความรัก ที่มันเกิดโดยธรรมชาติเนี่ยอันนี้ไม่อันนี้ไม่มีผลบุญฉะนั้นคนเราเนี่ยจะไม่ได้ผลบุญในการกตัญญูพ่อแม่รักพ่อแม่รักภรรยารักลูกเนี่ยถ้าหากว่าไม่ให้ความรักเนี่ยเป็นความรักเพื่อละอิสลานะวะตามันต่างอะไรอะถ้าหากว่าคนหนึง่ง่นมุสลิมรักพ่อแม่ด้วยสัญชาตญาณในฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่อย่างเดียวทำไมรักเป็นพ่อเป็นพ่ อ, เ ป, พ อ, เ, ปพอเป็นแม่ ผู้บังเกิดเก้ามีบุญคุณอแม่ก็ตั้งคขั้อแล้วก็ให้นมแล้วก็เลี้ยงดูพ่อก็เลี้ยงดูต่างอะไรก็เหตุผลของคนที่ไม่ใช่มุสลิมลเพราะหตผลเดียวกันและวถ้าอันนี้เป็นเหตุผลเพียงพอที่ได้ผลละบุญนะสแสดงว่าโอ้อย่างงั้นผู้เผยศาสนาทุกคนนี่ก็ได้ผลละบุญมหาศาลนี่ไม่ใช่ไง ข, ข้อแตกต่างชัดเจนนะครับว่า ความรักที่มันสัญชาติตญาณอ่ะอันเนี้ยอันนี้อันนี้อันนี้เราเราจะไม่ได้ผลบุญในฐานะที่เป็นความเป็นความรักที่ที่อัลลอฮฺที่บอกว่าเป็นไอบาดะกอลบีอะเป็นไอบาดะของหัวใจฮะคู่รักกันทั่วโลกเขาซิกเก็กันเลยนะซิกเกตกันเลยะฉันรักฉันรักซิกเกกันเลยได้ผลบุญปะ ก็รักขอโทษประทานโทนผู้ชายกับผู้หญิงก็เหมือนตัวผู้กับตัวเมียนี่แหละเดรัชานก็มีสมมติว่าสามีภรรยาทุกคนในโลกนี้มีความรักแบบนี้ระหว่างเพศชายกับเพศหญิงอย่างนี้ที่มันเป็นสัญชาตญาณนี่เหรอที่จะได้บุและบุญที่อัลลอฮฺสุภาโนอูตาลละได้กำหนดไว้ระหว่างภรรยาสามีที่เลือกกันด้วยศาสนามันเป็นไปไม่ได้เราแยกนระหว่าง ความรักที่มันเป็นในบาฮะกลบียความรักที่มันเป็นเป็นการรักพักดีรักเพราะอัลลอฮ์อย่างที่ผมบอกรักความรักมันเกิดขึ้นเนื่องจากอัลลอฮ์สุภาโนอิดาล์ใช้ให้รักไม่ใช่เนื่องจากว่าเราชอบซึ่งมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงชอบเพราะอะไรมนพี่น้องบางคน เขาไม่ชอบกินแตงโมแต่กินแตงโมทําไมเพราะอ่านหาดิสุท่านนบีชอบกินแตงโมฮาดิสุ่านบีชอบกินแตงโมกับอิมพาลัมเขานี่ไม่ชอบกินแตงโมแต่มาชอบกินแตงโมนี่เพราะเพราะเป็นสิ่งที่ท่านนบีชอบอุลามะได้บอกว่าเนี่ยแบบเนี้ยในผลละบุญโอ้โหคนติงมดกินแตงโมกันทั่วโลกเงี้ยเป็นสุนัขกันดังนั้นน่ะคนนี้กินแตงโมทุกคนน่ะถือว่าเป็นสุนัขกันดังนั้นน่ะไม่ใช่นี่ คนกินแตงโมเพราะชอบเพราะอร่อยอันนี้เป็นอะไรเป็นความชอบส่วนตัวแต่คนกินแตงโมนี่เพราะเขาถือว่าเป็นเรื่องของท่านนาบแีและเขารักนบีเนี่ยรักนบีเช่นเดียวกันเทียบทุกอย่างแบบเนี้มีมามคนในโลกนี้นที่ไว้เขาโอเ้เพียบเลยทั้งแฟชั่นทั้งเท่ทั้งขี้เกียจโกนทั้งโอ้สารพัดสารพัดไว้เขาได้ผลบกนกันทั้งนั้นนะ ไม่ใช่ระวังชอบใจกับทําตามที่อัลลอฮ์ชอบ ท, ที่อัลลอฮ์รักอ่านนมันอันนี้มันแตกกันต่างกันอันนี้เนี่ยในในสุรตะว่าเนี่ยก็กล่าวถึงอย่างที่อย่าลืมนะว่าสุรตะว่าเนี่ยเราเราอธิบาอยอยู่เสมอนะสุรตะว่าในกาลังร่างคุณสมบัติของคนละเมืองในสังคมมุสลิมสังคมมุสตาห์สังคมมุสต า, าต้องเป็นยังไง ผู้สด็จตาจะต้องจะต้องมีข้อผูกพันกับคนอื่นยังไงเหมือนที่เขาร่างคุณสมบัติของพลเมืองตอนนี้เนี่ยในประเทศต่างๆพี่น้องร่วมชาติเราเราเจอฝรั่งอย่างเงี้ยเราจะเรียกเขาพี่น้องร่วมชาติไหมไม่ไดิมันคนละชาติคนละเชื้อชาติคนละสัญชาติพี่น้องร่วมชาติก็คือคนที่อยู่ร่วมกันบนแผ่นดินเดียวกันมีสัญชาติเดียวกัน นะมีชะตากรรมเดียวกันมีผลประโยชน์เหมือนกันร่วมชาตินี่เขาเขาถือว่าเป็นคุณสมบัติเป็นเรื่องธรรมดานะที่จะพูดแบบนี้นะอ่าในประเทศไทยนะคนนี้สัญชาติไทยแล้วคนที่ไม่ถือสั ญ, สญชาติไทยอะไรนนะถ้าแบบทางการหน่อยนะต่างชาติแต่ถ้าแบบมันเป็นคำโบราณ น, นิดหนึ่งแต่ก็ยังใช้กันอยู่นะต่างด้าว ต่างดาวนี้ไม่ไ ม, ไม่ใช่ไม่ใช่ทางการนะถึงแม้ว่าเขาใช้กันในหนวยในหน่วยราชการนะแต่แต่มันไม่ค่อยทางการไม่ค่อยเป็นทางการต่างดาวอี๋ไม่ใช่ไม่ใช่คนไทยอ้าวทากันได้ยงไงอ่ะเป็นมนุษย์เหมือนกันนะ่ะสังเกตนะว่าเราเนี่ยถ้าฝรั่งนี่เร็วกว่าต่างชาติแต่ถ้าคนลาวเขมินไ่นนะเนี่ยต่ า, างดาวเฮ้ยทำไมอ่ะเออผมผมมานั่งคิดมานั่งคิดว่า เออมันอยู่ที่จีนหรืออยู่ที่เซลล์สมองหรือมันอยู่ที่อะไรอะ่ะจะให้จะให้เห็นนะาเออคำว่าต่างดาวนี่มันมันเออมันชันชันล่างหน่อยอ่ะแน่นอนอันนี้แ น, น, น่อัน น, น, นี้อันนี้ชัวร์เลยเคยได้ยินมหมเรียกเจ้าหน้าที่เนี่ยเรียกฝรั่งที่มาที่มาที่เที่ยวกันเนี้คนต่างดาวเคยได้ยินไหมในข่าวเนี่ยเคยได้ยินไหมที่กอ่ออาชญากรรมอะไรเงี้ย ถ้าก่อเชกรรมแม้กระทั่งฝรั่งที่หมดวีซ่าอะไรแบบต่างชาติที่หมดวีซ่าแต่แทัที่ลาวหรือเขมีนเนี่ยหมดวีซ่านะอ๋อแรงงานต่างด้าวข้าวนะข้าวข้าวนี่อ่านคนไทยเนี่ยอให้เห็นนะถ้าถามว่าการที่เราเหยียดเหยียดหยามชาติอื่นอันนี้เนี่ยมันเป็นตัติการ่างคุณสมบัติ ของพลเมืองและก็คนต่างชาติด้วยใช่ไหมให้เรามองว่าเออคนที่ถือสัญชาติถือสัญชาตินี่อันนี้คือคนคนที่ต้องต้องต้องต้องระดับสูงสุด อ, อ่ะขบวนกาก็นสิของเร า, าเราเป็นเจ้าของประเทศเออมันก็กียหตมีผลไงมีเห็นมีผลแต่อันเนี้ยไอ้ที่จะไปมองคนอื่นนะว่าเออคนอื่นนะไม่เหมือนกันละอันนี้ยังไม่ยังไม่มองถึงพฤติใน่่ะพฤติไน่ของคนไทยบางคนน่ะนะ มองคนต่างชาติที่เป็นฝรั่งนี่นะว่าเหนือกว่าคนไทยแท้ๆนะ่ะอะอันนี้ก็บนี้อันนี้แต่ยกตัวอย่างเนะี่ยเพียบเลยนะแต่เจอคนไทยได้วยกันเนะี่ยแต่คนไทยนี่แต่งตัวไม่ใส่แบรนด์ไม่ใส่ชุดอะไรที่มีแบรนด์เลยแต่เจอฝรั่งที่แบบว่าเท่ๆหน่อยกันนะคนไทยมองอยังไงใครใครประเสริฐกว่าใครให้เกียรติมากกว่าใครใช่ไหมแล้วไม่ใช่คนไทยด้วยมนะันเเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่เนี่ยพอเจอคนไทยเนี่ยทํำยังไงแล้วพอเจอฝรั่งเนี่ยทาตัวยังไงคนละเรื่องเลยซึ่งซึ่งมันมันผิดกฎหมายนะและผิดผิดจรียาบรรณผิดจรรยาบรรยาทของเจ้าหน้าที่ด้วยนะแต่เราเรามองถึงกติกาเนี่ยกติกาปัจจุบันนะ่ะนะใครที่ถือสัญชาติเนี่ยก็ถือว่าเออท็อปละแล้วคนที่ต่างชาติเนี่ยเขาก็จะได้สิทธิน้อยกว่านี้แ น, น, น่นอนแน่นอนไอ้ผมแปลกใจว่ะ กฎหมายที่ที่กำลังจะออกว่าจะให้ขายให้ฝรัง่งซื้อที่ดินนะมนลงทุนลงทุนจะได้ซื้อที่ดินได้โอ้โหว่าเป็นเรื่องเลยคนที่จะออกกฎหมายนี้เนี่ยก็ถูกให้ฉายาว่าเป็นคนขายชาติไปเลยอันที่จริงแล้วอันที่จริงแล้ว ที่สำคัญกว่าที่ดินนะที่สาคัญกว่าที่ดินคือเกียรติยศและศักดิ์ศรีของคนใช่ป่ะระหว่างคนขายตัวกับคนขายที่ดินใครมีเกียรติมากกว่าคนที่ขายดินขายที่ดินคนที่ขายตัวนี่นะคือคนที่คนที่ไม่มีเกียรติเลยไม่มีศักดิ์ศรีเลยแต่เราเนี่ยหาว่าคนที่ขายที่ดินเนี่ยคือขายชาติ แต่โสเปเนียทั่วประเทศที่เรารู้กันนาะเมืองไทยนี่ถูกสถาปนาว่าเป็นเมืองโสเปเนียนะอันนี้มันไม่กระทบเลยนะแล้วเราไม่รู้สึกเลยนะว่าเราขายชาติไม่รู้สึกรังเกียจไม่รู้สึกไม่รู้สึกเป็นเรื่องที่น่าละอายแต่งใดแต่เรารู้สึกน่าละอายมากว่าเราจะออกกฎหมายให้ฝรั่งสามารถขายที่ดินได้คือกำลังบอกกับพี่น้องว่าในโลกปัจจุบันมันก็มีการออก กติกาเกี่ยวกับคุณสมบัติของพ ล, ลเมืองที่มีความเลื่อมใสที่มีความบริสุทธิ์ต่อแผ่นดินถึงไม่แปลกนะครับสำหรับอิสลามที่จะออกกติกาออกคุณสมบัติของพลเมืองแต่อิสลามนี้ได้ออกกติกาคุณสมบัติของพลเมืองที่ไม่มองถึงวัตถุหรือสิ่งต่ำต้อยหรือสิ่งเล็กน้อยเนี่ยมาเป็นเงื่อนไข อิสลามมองถึงเรื่องบริสุทธิ์บริสุทธิ์และสำคัญที่สุดคือเรื่องศีลธรรมเรื่องความศรัทธาเรื่องความศรัทธาซึ่งเคยบอกกับพี่น้องว่าที่ไปที่มาของอญญายานีอญญายุสามและหรืออญญายี่สิบสี่ด้วยนะมันก็คือตามที่อุลมามะบางท่านเนี่ยไม่ใช่บางท่านหลายท่านนะครับได้บอกว่าตอนที่มุสลิมรับศาสนาอิสลามที่มักตะ ท่านน บ, บีอพยพไปมากระไปมาดีนนะแล้วก็สั่งเราก็สั่งทุกคนที่อยู่แผ่นดินที่ไม่สามารถเปิดเผยอิสลามและเผยแพร่อิสลามได้นะว่าจะยึดตังอพยพจากแผ่นดินนั้นนั้นมุสลิมก็เลยอยุปยพตอนตอนนั้นอันส่วนมากมุสลิมอยู่ที่มักกะอพยพจากมักกะไปมาดินะ้าตามน บ, บีไปแต่มีกลุ่มบางกลุ่มที่รับอิสลามแล้ว แต่เขาไม่ได้รับอิสลามยกครอบครัวเป็นบางคนสามีรับอิสลามครอบครัวไม่ได้รับภรรยารับอิสลามครอบครัวไม่ได้รับลูกชายรับอิสลามพ่อแม่พี่น้องอยังไม่ได้รับนี้พอสมาชิกคนบางคนนะบางกลุ่มบางครอบครัวเนี่ยพราะพอแสดงเจตนากับสมาชิกครอบครัวว่าจะอพยพไปมาดีนะกับท่านนบีสุลต่านสมาชิกครอบครัวก็อบอกว่าเอ้า จะไปได้ไงอะแล้วก็ทิ้งพวกเราเหรอทิ้งพี่น้องญาติพี่น้องใครที่เป็นสามีที่รับอิสลามเนี่ยเมียกับลูกเขบอกว่าแคือเมียกับลูกเนี่ยไม่ยอมรับอิสลามนะและสามีนี่จะอุปยพเนี่ยไม่ยอมยไม่อุปยบเขาก็จะป่อจะทิ้งเราได้ไงอ่ะแล้วใครดูจะดูแลเราอ่ะแล้วใครจะเลี้ยงเราละ่อะอก็ไปกับฉันดิเขาไม่ไปฉันไม่ไปกับกับไม่ไปม่ดีนะนี่ไม่ไปอ้าไม่ไปงั้นเช้าไปฉันไปดิ เอาไปไม่ได้แล้วใครจะดูแลเราละ่ะคนที่หัวใจแข็งแกร่งแล้วก็ให้ความสําคัญกับความจงรักภักดีต่อเราและราสุลมากกว่านี่เอาไปสนใจให้เลือกให้ครอบครัวเลือกถ้าอยากจะอยู่กับฉันเนี่ยก็อพยพกับฉันเอาไม่ต้องรับอิสลามไม่บังคับแต่มาอยู่กับฉันแต่จะบังคับให้ฉันอยู่กับพวกเธอนี่ในฐานะที่ฉันยังเป็นผู้ศรัทธาแต่ไม่สามารถเปิดเผยอิสลามของฉันได้เนี่ยอันนี้อิสลาม ไม่อ น, นิยมใ้ฉันแบบนี้ต้อง อ, อพยพคนดีหัวใจแข็งแรงหน่อยนี่ก็ไม่ยอมเชื่อฟังสมาชิกครอบครัวแล้วก็ อ, อกพยพไปมาดีแต่ใครที่รักเมียนิดหนึ่งรักลูกนิดหนึ่งน่าสงสารแล้วฉันจะไปอยู่มาดีนะแล้วใครจะดูแลพวกเขาล่ะเลือกอยู่เลือกอยู่ที่มักกะไอ้ยึงบอกว่าถ้าหากว่าบิดาของพวกเจ้าพี่น้องของพวกเจ้า เอาเขามาเป็นมิตรเป็นมิตรเนี่ยเป็นมิตรที่สำคัญกว่านบีเ น, น, นี่คือที่จริงเนี่ยไม่ได้เอ่ยนบีแต่แต่เป็นที่รู้กันเนียเอาเขาเนี่ยเป็นคนใกล้ชิดที่สุดมากกว่านบีนะเพราะนี่หน้าที่เขาต้องอพยพไปไปหานาบีจะได้ปกป้องท่านนาบีจะได้ดาว่ากับท่านนาบีแต่เขาเลือกที่จะอยู่กับสมาชิกครอบครัวอันเป็นที่รักยิ่งสำหรับเขามากกวา่านบีเอา รู้ยังไองออกมา ก, กว่านาบีก็นบีสั่งให้อพยพและไม่ยอมอพยพอยู่กับอยู่กับสมาชิกครอบครัวมันก็เป็นหลักฐานเป็นหลักฐานว่าเขาให้ความสําคัญกับการปฏิเสธศรัทธามากกว่าความศรัทธาซึ่งเรื่องนี้ตัวเราเองเนี่ยอาจจะไม่ยอมรับในในการในการชี้ชะตากรรมว่าเป็นแบบว่าเป็นแบบนั้นเราจะบอกรู้ยังไงเอว่าเขาให้ความสําคัญกับ การเป็นศิษย์แก็เขเนมุสลิมไงเนี่ยเหมือนเราเนี่ยบางทีนะเราเนี่ยก็เผชิญกับสถานการณ์อะไรๆเนี่ยกำลังดูบนลนี่บอลโลกผ่านไปผ่านพ้นไปแล้วนะเป็นเป็นบนโลกที่ประหลาดที่สุดในประวัติศาสตร์บนโลกทุกฤดูทุกช่วงนะ่ะทุกสี่ปีที่ผ่านไปแล้วเนี่ยพอมาบนโลกเนี่ยเท่าที่ผมจําได้นะหลายเป็นสิบสิบปีแล้วนะพูดถึงเรื่ บอลโลกทุกครั้งเนี่ยมันจะเป็นปรปักปรปับ ก, กับมุสลิมที่ต้องการประคองชีวิตให้อยู่ในคันลองของอิสลามบลโลกนี้จะทำลายทุกอย่างเลยแต่แปลกนะบอลโลกปีปนี้ในกาเป็นกายเป็นเทศกาลดาว่าไปแล้วเออกลายเป็นเทศกาลแปลกนี่ผ่านพ้นไปแล้วนะแต่เรานี่อาจจะเจอสถานการณ์ที่เรา จ, จะดูบน แล้วถึงเวลาละหมาดเรารู้ละรู้ แ, ร, แรู้แน่นอนว่าถ้าเราเลือกจะดูบอลจนจบนะเวลาละหมาดหมดอย่างมักริบอย่างเงี้ยสมมติมักริบเนี่ยมันแค่ชั่วโมงเดียวกว่าจะหมดเวลาอาจจะไม่ถึงชั่วโมงในซําแล้วบอลนี่มันได้อย่างชั่วโมงหนึ่งไม่ได้มันก็ต้องผ่านเวลาเวลามักริบหมดเวลามักริบแน่นอนเพราะมัน อาจารแล้วเนี่ยแล้วก็เรารู้ว่าต้องละหมาด ถ, ถ้าไม่ละหมาดนี่เดี๋ยจะไปไปไปละหมาดช้หนุนะนอกเวลานี่มันบาปใหญ่อะแต่เราเลือกที่จะไม่ละหมาดเลือกดูบอลกว่า น, นี่แสดงว่ารักบอลมากกว่ารอดใครบอกกูรักกันรอดนะใครบอกพูดยังไงอกูก็รักกันรอดนะทํานี่ทํานู่นทำนั่น น, นะแต่เวลานั้นน่ะเนี่ยเป็นเรื่องที่เราปฏิเสธแล้วก็ เฮ้ยชี้ชะตารรอย่างนี้ว่าฉันกลายเป็นคนที่ไม่รักอัลลอฮ์ได้งไงอ่ะคือที่จริงเนี่ยคนคนที่เลือกดูบอลไม่เลือกไปละหมาด น, นะเลือกดูบอลมากกว่าที่จะไปละหมาดเนี่ยเขาอาจจะรักอัลลอฮ์จริงก็ได้แต่ณเวลานั้นณนะเวลาเนี่ยนะจะเอาอะไรมายืนยันไม่ได้ว่ารักอัลลอฮ์ณเวลาที่เขาดูบอลแล้วก็ไม่ยอมไปละหมาด น, น, นะนะแล้วรู้ว่าจะไม่มีเวลาที่จะไปนอกจากเวลาใช้แล้วนะ บาปหมายถึงว่าไปละหมาดนี่เป็นนอกเวลเป็นบาปนะนะักเวลานั้นนะ่ะจะเอาอะไรมายืนยันว่ารักอัลลอฮ์มากกว่ารักอัลลอฮ์รักละหมาดมากมากว่าบอนนี่มันไม่มีใครเสียหรอกนะเวลานั้นนะไม่รู้แหละทําก่อนหน้านี้ในอนาคตนี่จะเป็นยังไงแต่เวลานั้นนะ่ะภาษาอะไรกับคนที่ชีวิตทั้งชีวิตนะชีวิตทั้งชีวิตต้องทํางานกับเรื่องที่ ต่อต้านอิสลามต้องอยู่ในคัลองที่เป็นปฏิบัติกับอิสลามอยู่ในพฤติกรรมที่สวนทางกับคําสั่งสอนของอิสลามและจะอ้างว่ารักอลัลลอฮ์เป็นเป็นยังไงเป็นเป็นเ น, เ น, เ น, เ น, เนเย่ะังไงอ้าวแต่ก่อนนน้นน่ะมันจะมีพวกช่วงอนณานิคมช่วงจากอาวุินิยมทิละอาณานิคมเนี่ยพวกฝรั่งเนี่ยเขาก็มายึดครอง ประเมุสลิมส่วนมากแล้วเขาเอาประชากรมุสลิมเนี่ยมาเป็นทหารเป็นตำรวจของเขาและตำรวจทหารที่เป็นมุสลิมเนี่ยที่ไปรับใช้จักรวรรดินิยมนี่นะแล้วกลายเป็นเครื่องมือของจักรวรรดินิยมในการข่มเหงเข็นฆ่ามุสลิมด้วยกันชีวิตของเขาเนี่ยเป็นทหารให้ฝรัง่งศัตรูอิสลามแน่นอนรับเงินเดือนจากเขาหน้าที่ของเขาเนี่นะรับคําสั่ง จากเจ้านายที่ไม่ใช่มุสลิมปราบปรามบุคคลนี่มุสลิมเพราะนั้นในประวัติศาสตร์เราได้เห็นว่าทหารเหล่านี้เนี่ยที่อินเดียก็ดีที่อียิปตีอมโรคมรกโคที่แอลจีเรียเนี่ยมุสลิมแตนชื่อมุสลิมตมอัมร์อัลมุตาร์ที่เป็นมูจาฮิดีนที่ขับไลอิตาลีแต่ก่นนี้เามายึดครองลิเบียอมร์มุขตาร์เนี่ยต้องเผชิญหน้าสู้กับทหารของอิตาลี เป็นมุสลิมเป็นคนลีเบียแท้ๆเลก็มีเนี่ยบางทีนี่มันโครงสร้างชีวิตทั้งชีวิตเลยอย่านะชี้ชัดนะว่าเขาเลือกการปฏิเสธศรัทธามากกว่าความศรัทธาซึ่งข้อแตกต่างสําหรับคนอื่นอนะอย่างเราหรือมุสลิมคนอื่นที่อยู่ในเงื่อนไขในบริบทที่อาจจะไม่เหมือนตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยนะ บริบทเล็กๆอย่างเช่นเรื่องดูบอลดูละครกับเวลาเข้าอาจารอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ถึงว่าเอ้ยคนที่เลือกดูละครเลือกดูบอลแล้วก็ไม่เปละหมาดเนี่ยนี่ไงเลือกการปฏิสธรรมอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันก็อยู่ในทํานองเดียวของการเลือกฝังอะเลือกฝังที่ไม่ใช่คำสั่งสอนของอิสลามแล้วก็ให้ความประสิฐมากกว่าคาสั่งสอนของอิสลาม อันนี้เนี่เราก็ต้องมาเปรียบเทียบดูนะในชีวิตของเรามันมีอะไรที่มันใกล้เคียงแบบนี้หรือเปล่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى หลังจากนี้อายะ์ที่ย4สบสี่นี่ก็เลยยกตัวอย่างมากขึ้นเกี่ยวกับบุคคลหรือสิ่งต่างๆที่จะถูกให้ความสำคัญมากกว่าอัลลอฮ์และล่มากกว่าการเชื่อฟังอัลลอฮ์และสุล لا س ب ح ا ن وتعالى لك العوا بعد عوذ الله من الشيطان الرجيم قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال ن ق ت رفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله و ج ه ا د في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره Allahu la yahdi al qaum al fasiqin ซามีที่ความงามจงกล่าวเถดโอ้มมุฮัมมัดจงกล่าวจงสอนจงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอิงแก่นะหากว่าอาบะอุคุมบิดาของพวกเจ้าก็คือบิดาของผู้ศรัทธาของแต่ละคนว่าอบนาอุคุมนับด้วยกันนับด้วยนะ บิดาของพวกเจ้าว่าอเบนาอุคุมและบรรดาลูกลูกของพวกเจ้าว่าอิควานุกุมและบรรดาพี่น้องของพวกเจ้าว่าอซัวยุคุมและบรรดาคู่ครองของพวกเจ้าอันนี้ไม่ได้หมายว่าคนหนึ่งมีภรรยามีคู่ครองสองสามสี่คนนี่คือบรรดาไม่ใชห่หมายถึงว่าผู้สแตนแต่และคนเนี่ยที่มีคู่ครองถึงแม้ว่าจะคนเดียว หรือจะหลายคนก็ตามและบรรดาคู่ครองของพวกเจ้าวาชิรตุกุมและบรรดาญาติควรจะเป็นญาติญาติของพวกเจ้าเกี่างละบิดาของพวกเจ้าลูกๆของพวกเจ้าพี่น้องของพวกเจ้าคู่ครองของพวกเจ้า4ญาติของพวกเจ้าห้า و ลอ موال นิคตระ م ตุมุ موال ก็คือบรรดาทัพสมบัติที่พวกเจ้าแสวงหาสักสมไว้คตระฟตุมุฮาสักสมไว้และสินค้าที่พวกเจ้ากลัวว่าจะจำไหนมันไม่ออกจำไหนไม่ได้ ที่อยู่อาศัยบ้านกระหั د วังทั้งหลายเนี่ยที่พวกเจ้าพึงพอใจมันนั้นถ้าสิ่งเหล่านี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ ย, ช, ย, ย, ยนะชีวิตของเราเนี่ยก็อยู่ไปอย่างเนี่ยสังเกตไดเลยชีวิตของเราเนี่ยพ่อลูกพี่น้องครอบครัวก็คือผู้ครองภรรยาญาติพี่นอ้องอามวร์ทรัพย์สิสน สินค้าการค้าก็คือไรายได้อะรายได้อาซกนแล้วกที่ักอศัยอยู่นั่นแนะชีวิตของเราสารุปนี่หมายถึงว่าโดยปลีกย่อยเนี่ยก็คือทุกภาคส่วนในชีวิตของพวกเจ้าหรือชีวิตของพวกเจ้าทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยโดยรวมเนี่ยชีวิตทั้งหลายเนี่ยสิ่งเหล่านี้นั้นนะอฮั่อิเลย์ุมินอัลลอฮวรซาลีสิ่งเหล่านี้ถ้ามันเป็นที่รัก ใครกับพวกเจ้ามีหน้าอัลลอฮฺละยิ่งกว่าอัลลอฮฺและ رسول อัลลอฮฺและ ر س ي. ي و รักสิ่งเหล่านี้มากกว่าอัลลอฮฺและ رسول รักพ่อแม่ลูกภรรยาญาติพี่น้องทรัพย์สินการค้าบ้านมากกว่าอัลลอฮฺและ ر س ซ ل ว่า jihadin fi s a b i l และรักมันมากกว่าการต่อสู้ในทางของพระองค์แล้วไซรักสิ่งเหล่านี้มากกว่าอัลลอฮฺและ رسول มันก็พอ แต่ Allah ได้เพิ่มตัวนี้เนี่ยมาเป็นตัวพิสูจน์ทำไมเพราะที่จริงแล้วเนี่ยการต่อสู้ในหนทางล l l เนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะให้เราเนี่ยรัก Allah และ Rasul มากกว่าสิ่งเหล่านี้เราจะไม่สามารถรัก Allah และ Rasul มากกว่าทุกสิ่งเลยจนกว่าจะต้องต่อสู้นับสู้ของเราเสียก่อนในหนทางมันมี Hadis แต่อ่อนมากอุลามานี่อ่อนมากท่านนบีเขาบอกว่าท่านนบีกลับมาจากสงครามได้รับชัยชนะในสงครามซาร์ฮาบะก็บอกว่าซาร์ฮาบะเนี่ยว่าเราได้กลับแม้กลับมาแล้วจากการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่คือที่ไปสู้กับศัตรูแล้วก็รับชัยชนะโอ้โหเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ในบีบอกว่าไม่ใช่เรากลับมาแล้วจากการต่อสู้ที่เล็กน้อยไปสู่การต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ นั่นคือ جهاد النفس คือการต่อสู้กับน afsou การอิสลามอยดนออ่อนแออยมากขุนนงท่าบอกว่าเป็นการอิสลามอุดมโตโดยสัมแต่อุลามาได้บอกว่าเนื้อหาของวันนี้มันมัใช่เพราะไม่สามารถเราไม่สามารถต่อสู้ศัตรูในสมรภูมิไม่สามารถสู้รบกับศัตรูที่เป็นรูปบัธรรมที่มีตัวตนนี่นะหากเราได้แพ้สงครามในการต่อสู้นับ s o u ของตัวเองไม่มีทาง จะไปต่อสู้จะไปดิฮาตกับศัตรูอิสลามแล้วเรายังตื่นละหมาดซูบโบไม่ได้เราจะไปต่อสู้ในสงครามเศรษฐศาสตร์ต่อสู้ในสงครามเศรษฐศาสตร์ที่จะให้เศรษฐศาสตร์อิสลามเนี่ยรับชัยชนะกับเศรษฐศาสตร์ของศัตรูเนี่ยถ้าหากว่าเรายังกินดอกเบี้ย ก, กันอยู่นี่นี่ให้เห็นนะว่าเริ่มต้นจากการต่อสู้ด้วยนับซูเนี่ย ถ้าเราไม่ได้ใช้ชนะนับสู ข, ของเราไม่เอาชานะนับสู ข, ของเราเราไม่สามารถที่จะเอาชานะศัตรูภายนอกอันนี้แน่นอนแล้วทุกวันนี้เนี่ยที่ประชาชาติอิสลามเนี่ยมุสลิมเนี่ยอยู่ในสภาพที่ตกตำ่ำเพราะอะไรเพราะศัตรูอิสลามนี่เขารู้จากสงครามโคเสตเจ็ดร้อยปี ทำสงครามกับมุสลิมเจรอยปีเนี่ยไม่สามารถเอาชนะมุสลิมได้ที่สุดเนี่ยมุสลิมเนี่ยชนะแล้วก็ขับไล่ขับไล่กองทัพคริสทุกคนเลยทุกนายเลยออกจากแผ่นดินของอิสลามลสงครามโคสีตครั้งสุดท้ายเนี่ยซึ่งกษัตริย์ของฝรั่งเศสเนี่ยถูกจับเป็นชเชลยที่ประเทศอียิปต์ ที่เมืองดิมิอตในบ้านพ่อค้าคนหนึ่งชื่อดารุลกมันรอที่จะให้รัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยส่งค่าถ่ายตัวค่าถ่าตัวในตอนนั้นน่ยหลายล้านโอ้เนี่เป็นงบ ป, ประมาณเป็นงบ ป, ประมาณประเทศเลยจะได้ถ่ายตัวกษัตริย์ของฝรั่งเศสที่ยกทัพจะได้มายึดยึดครองยึดครองบาเยิอีบแล้วก็เข้าไปยึดครองเยรูซาเล็ม ทำไมประสบความสําเร็จแพ้สงครามแล้วก็เขาบอกว่ากษัตริย์คนเนี้ยกษัตริย์ฝรั่งเศสคนเนี้นั่งอยู่ในคุกเนี่ยไม่คุยเลยไม่พูดเลยพรรคพวกเขานี่มาขอคุยมาไม่ไม่คุยพอรัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยเขาส่งเงินมาถ่า ย, ายตัวแล้วเนี่ยแล้วก็กลับไปเนี่ยเขาเรียกเรียกบรรดาแม่ทัพเรียกเรียกขุนนางว่าผม ด้ข้อสรุปเอาชนะมุสลิมด้วยการยกทัพไปทำสงครามกับเขานี่ไม่มีวันชนะไม่มีวันชนะจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราต้องยกเลิกสงครามโคสิและจากนี้เป็นต้นไปในสงครามของเราที่ต้องทำเนี่ยคือสงครามด้านความคิดสงครามด้านความคิดที่จะทำให้มุสลิมเนี่ยไม่มีจุดยืนไม่มีอุดมการณ์ที่จะให้มุสลิมเนี่ยลังละลังไหลไปกับ นับสูกับอารมณ์ฝฟต่ำกับชาวาตกับความความ ค, ความตกต่มของเขาและนี่เป็นสิ่งที่เขาประสบความสำเร็จจริงๆถ้าเราได้เห็นในพลทหารชั้นสูงในประเทศมุสลิมที่จะต้องไปเที่ยวต่างประเทศแต่งตัวใส่ของที่เป็นแบรนด์ ฟังเพลงฝรัง่งเรารู้เลยว่าแม่ท้าคนนี้เนี่ยไม่มีวันไม่มีวันที่จะสามารถต่อสู้กับสุตรุอิสลามได้ทําไมอ่ะเขาแพ้แล้วก่อนที่จะไปสงงรูปภูมิคอาแพ้แล้วสมมุติสมมุตินะสมมุตนะิอนี้แค่สมมตินะว่าวันหนึ่งวันใดเนี่ยประเทศเกาหลีใต้เนี่ยประกาศสงครามกับเมืองไทยอพี่น้องว่าใครชนะ ไม่ต้องไปนับนะเขามีรถถังเท่าไหรเรามีเท่าไหรเขามีเครื่องบิไม่ต้องครับดูทรงผมของคนไทยก็รู้แล้วว่าใครชนะสงครามด้านความคิดนี่สำคัญที่สุดอยายะนี้พูดถึงเรื่องสงครามด้านความคิดพูดถึงเรื่องความรักความรู้สึกซึ่งความรักความรักที่มันมีค่านีนความรักที่เกิดจากปัญญาความรักที่มันเกิดจากปัญญามีไหมคนที่ขายชาติเนี่ย เพราผู้หญิงโอ้มีถึงไอ้ไอ้พวกพวกสายลับนี่มันมีเครื่องมือของเขานี่ก็คือก็คือผู้หญิงผู้หญิงที่จะไปหลอกลวงทหารชั้นสูงจะได้จะได้หาข้อมูลซื้อข้อมูลมันมีเป็นวิธีของเขาเนี่ยนีไม่ใช่ม่ม เ, ม เ, เฉพาะในประเทศที่ม่ถึประเทศมุสลิมก็มีนะแบบนี้ก็มีมีบางเรื่องนี้ มันเรื่องมีอับอายมากเลยสำหรับประเทศที่อ้างว่าเป็นประเทศมุสลิมแต่ใช้วิธีนี้เนี่ยวิธีตกต่ำเนี้ยในการกดดันกดขี่เจ้าหน้าที่ระดับสูงในประเทศอื่นๆเพื่อแสวงผลประโยชน์จาเขาไอ้ไอ้ไ อ, ไ อ, ไอ้ตอนนี้เนี่ยที่เอาคลิปคลิปลับเนี่ยไปไปขู่ไปขู่เจ้าของใช่ไหมไปขโมย ภาพลับหรือคลิปลับอะไรของเขาแล้วก็ไปขู่เขาจะได้รีดายเงินจากเขาไอ้เรื่องนี้เนี่ยเขาใช้กันมาตั้งแต่ดึกดําบันไม่ใช่แค่ตอนมีทิกตอกมีเฟซบุ๊กนะเขาใช้กันมานานแล้วใครไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยรู้ว่าจะมาเที่ยวที่ไหนเนี่ยติดกล้องถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วเออเรียกมาเจราจาแล้วเอาอยัางไงนี่รูปภาพทั้งหมดนี่บันทึกลุกๆอย่างบทีคนคนนั้นอ่ะเป็นรัฐมนตรีเป็นผู้นําประเทศ แต่ชอบเที่ยวชอบกินเหล้าชอบ ม, มัวสุ่มเขารู้เลยจุดอ่อนของเขาเป็นยังไงจัดเลยไปผับที่ไหนไปไปบ้านที่ไหนไปไปอยู่กับใครนี่ติดกล้องเลยแล้วเรื่องนี้โอ้ยหลังจากนั้นนะไอ้พวกกลุ่มเราเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยข้อมูลลับของขอ ง, ข, ของพวกเข่าวกองพวกเนี้ยี่พูดถึงประเทศมุสลิมนันเนี่ยออกมาเปิดเผยกันเองมาแชร์กันเอง ซึ่งมันให้เห็นว่าสิ่งที่มันจะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเนี่ยความรักความรักที่มันเกิดจากปัญญามันเกิดจากจุดยืนแล้วก็ต้องเป็นจุดยืนที่แข็งแกร่งด้วยที่สุดของผู้ศรัทธาความรักต่อเราราสูลที่ไม่มีอะไรที่จะเอาชนะได้นะไม่มีทางหรอกที่จะมาต่อรองกับคนแบบนี้ชีวิตของเขาทั้งชีวิตเนี่ย อุทิศให้อัลลอฮฺกษุลแล้วจะมาต่อรองอะไรกับคนนี้เป็นไปไม่ได้คบอบบิบินุอัลอาตขบอาบิบินุอัลอาตที่ทุกจับเป็นเชลยแล้วก็ทุกวันนี้ก็จะชาวโครเเชียก็จะเอามาขู่ขบอาบเอาเรื่องเดียวให้ด่าท่านนบีด่าท่านนบีอย่างเดียวแล้วเขจะปล่อยเป็นอิสระแค่ด่าท่านนบีครั้งเดียวเขาจะปล่อยให้ด่าครั้งเดียว รักอัลลอราสูงมากว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาถูกจับเป็นเชลยแล้วถึงวันที่เขาประกาศว่าจะปหารชีวิตข บ, บาเป็นอัลอท่านดามุฮัมมัดสักครั้งหนึ่งแล้วเราจะปล่อยท่านเลยเซงก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่ก่อนตอนอันนี้ตอนอยู่ในมินอยู่ม่ดีน่าแล้วนะแต่ตอนที่อยู่ที่มักกะเนี่ยก็เคยมีซาบะที่ถูกบังคับให้ด่าท่านในมีวละท่านในมิวอนุญาตแต่ข บ, บ้าเป็นอัลอฮ์เเลือกอาซีมาเนี่ยหมายว่าเลือกทางที่เข้มแข็ง คือมันจะมีสองทางทางที่บปรุกซะข้อนี้ขออนุโลมอนุญาตก็ออนนตในเมื่อถูกบังคับถูกซ้อมทรมานจนทนไม่ไหวแล้วอะนะด่าลอร์รอซูลไม่ถือว่าตกศาสนาเพราะที่จริงเนี่ยถ้าไม่มีใครบังคับแล้วก็อยู่ดีๆสมัครใจดอาลอร์รอซูลตกศาสนาเลยนะนตกศานาแต่ถ้าถูกบังคับถูกทรมานจนทนไม่ไห ว, วอะออนุญาตให้ด่าอนุญาตเป็นข้ออนุโลมรุกซ้แต่ทางเลือกที่เข้มแข็งกว่านะไม่เลย ที่มักกะก็กมีคนที่เลือกไม่ยอมเลยบิลาลวเนบิโรบาลากลากไปทะเลทรายที่มักกะเอาก้อนหินใหญ่นี่มาทับอกด่านนแบบอย่างเดียวอาหอารนุ่อาหัรไม่ยอมไม่ยอมขับบ้หรืนี่อพยพไปอยู่มัดาดีนั่นแหละเนี่ยแล้วก็ถูกจับเป็นเชลเลยเอาขับบ้าเนี่มาทรมานจะได้ด่านนไม่ยอมประกาเนี่ยจะมีวันประกาศให้อารับทั่วคาบสมุทรอารับนี้ก็จะมาดูวันประหารชีวิตของท่านเนี่ย ถ้าไม่ได่าท่านนประหาชีวิตพอถึงวันป ร, รชีวิตเนี่ยเอาให้โอกา ส, สุทธ า, านี่ดาดามูฮัมหมัดในครั้งเดียวเราจะจับเขาก็บอกว่าฉันเนี่ยทั้งฉันเนี่ยแล้วก็ครอบครัวลูกหลานของฉันเนี่ยขอให้พวกเรานีพี่นา้าหายญาณกันทุกคนและขอไม่ให้ท่านนาบีมูฮัมมัดเนี่ยโดนไม่ให้ท่านนาบีเหยียบหนามแม้แต่หนามเดียว ฉันและกับชีวิตฉันครอบครัวงฉันทั้งหมดนี่อยจะหายันหมดเลยนะอย่าว่าจะให้ฉันด่านะบีนะอยฉันตายแล้วก็ทุกคนในครอบครัวฉันตายแล้นบีไม่ให้นบีโดนโดนหนามสักสักตัวเดียวแล้วก็ถูกประหารชีวิตและในเรื่องของขาุคคบาบในเรื่อนี้อัลล سبحانه แะ تعالى ประทานในสุรอัลฮัจจับอายะที่อัลลอฮฺริุ صدقو معهد الله عليه برد บรูติปฏิบัตตามค้าริงที่สัญญาไว้ของ Allah فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر มีบางกลุ่มที่ล่วงลับไปแล้วตามเจตนารมณ์ที่มีความจริงไว้ที่กล่าวจริงไว้ก็หมายถึงว่าเสียชีวิตตามคำไหนคำนั่นที่ประกาศว่า Allah เราสู้เียงเดียว ومنهم من ينتظر แล้วก็มีคนที่ยังรอคอยอยู่รอคอยอยู่ว่าเขาจะยินหยัดแค่ไหนว่าแม่บัดฑารูตัดดีแล้วละเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อยมีตัวอย่างนะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็เลยยกตัวอย่างในสิ่งที่มันเป็นที่รักของมนุษย์ทุกคนพราแม่ลูกหยาด พ, พี่น้องเพื่อนฝูงทรัพย์สิสนการค้าบ้านคระหัตที่เราอาศัยอยู่สิ่งเหล่านี้เนี่ยทุกคนก็รักรักก็ไม่บาป แต่ถ้ารักมันน้มากว่าอัลลอฮ์และ رسول เนี่ยละไม่สามารถต่อสู้ต่อสู้กับเรื่อูอารมณ์ไฟทาให้ให้ความรักต่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันน้อยกว่าอัลลอฮ์และ رسول เนี่ยอ ل ลอฮบอกว่าฝ่ารับบสูถ้าจะให้อัลลอฮริจงรักคร่กันเถิดฝารบบูนี่ส่วนมากเนี่เป็นกิริยาที่จะใช้ เกี่ยวกับการรอคอยหายนะความตายตรบุสเนี่ยรอรอนี่รอทั่วไปไม่ถ้าตระบุสนี่ก็คือรอเฉพาะเรื่องความตายหายนะรือไหานะหรืออะไรที่มันไม่ดีฮัตต่อย่าเตี้ย Allah bi-amri จนกว่า Allah จะทรงนํามาซึ่งกําลังของพระองค์ bi-amri amri เนี่ยนั่นคือกิจการของพระองค์คําสั่งของพระองค์ แต่เขาบอกอธิบายก็เป็นกําลังเนี่ยเพราะมันมีคําอธิบายของอุลามาตะเซีย บ, บางท่านบอกว่าถ้าพวกท่านเนี่ยรักสิ่งเหล่านี้มากกว่าละระซูลและการต่อสู้ของระซูลเนี่ยก็จงรอคอยรอคอยการพิชิตมักกะหมายถึงว่าถ้าถ้าไม่เชื่อแนวละระซูลว่าจะเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอย่างนั้นก็รอรอที่ อัลลอฮฺรซุลสทานีจะใช้ชนะด้วยการพิชิตมักกะด้วยกาลังหมาลังทหารดยเหตุบุเนี่ยเขาก็เลอธิบายคาว่าบอัมบีคำว่าอัมร่ใกิจการหรือคาสั่งแต่ทาไมเขาอธิบายว่าเป็นกาลังเพราะมีคาอธิบายแล้วอัลลอฮลดลกอมัลฟาิกินและอัลลอฮฺนั้นจะไม่ทรงนาทางแก่กลุ่มชนที่ละเมิดมันมีฮะดีสที่สอดคล้องกับ أياني ن ك حديثني م ن ت ك دوي. إما م أحمد أو داود. رجل عنده ترى عبد الله بن عمر. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم دين النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ت ب ا ي ع ت م بالعينة هاتوك جاء دهم كان كاد يعينه عينة وأخذتم بأذناب البقر. และได้จับหางวัววิชัยสำนวนนี้นะจับหางวัวว่ร่ด um ีตุมบิสะระและมีความพอใจต่อผลผลิตของเกษตรสะระสิ่งที่พวกเจ้าได้ปลูกเพาะไว้นี ون, an, ่คือผลผลิตของเกษตรเนี่ยเป็นนาเป็นสวนหรือเป็นอะไรก็ตามว่าตรักตุมูลจิหาดและละทิ้งการต่อสู้อัลจีฮัด ลตกา سلط الله عليكم ظلا لا, لا ينزعه حتى ت ر ิ ع و ا إلى دينكم الله تهيمي خام ت ك ํามาปรากฏเกิดพวกเจ้าและจะไม่ถอดถอนความตกต่ํานี้จนกว่าพวกเจ้าจะต้องกลับสู่ศาสนาของพวกเจ้ามีอยสามอย่างสี่อย่างหนึ่งตะบายาตุมบิลอีนะเป็นที่รู้กันตั้งแต่สมัยท่านนบีซารับเนี่ยที่มายอีนั้นคืออะไร ไอ้ห น, น้านี่สมัยจาเฮเลยียนี่เขาจะกู้แบบดอกเบีย้ยขอยืมพันหนึ่งคืนพันสองอันนี้ดอกเบีย้ยชัดเอาตังมาพันหนึ่งคืนตังมาหนึ่งพันสองอันนี้ดอกเบีย้ยแลว้วก็ซารีฮุ ร, รีเบรดอกเบีย้ยชัดชัดนี อ, อ, อิสลามห้ามดอกเบีย้ยก็เลยมีบางกลุ่มที่พยายามหลีกเลี่ยงรูปแบบของดอกเบีย้ยก็คือ ขายวิธีขายของไอ้ไงโซดาถ้วยนี้ฉันขายฉันขายถ้วยนี้ทั้งใดขายพันหนึ่งขายถ้วยนี้พันหนึ่งสิ่งสินค้านี่มันไม่น่าจะถึงพันหนึ่งนะไม่น่าจะถึงพันหนึ่งฉันขายพันหนึ่งอ่าฉันซื้อซื้อไปพันหนึ่งซื้อพันหนึ่งเอาเงินสด มันสุดพันหนึ่งนะอ้าฉันขายขายผ่อนไอ้คนที่ซื้อไปเนี่ยจะขายผ่อนให้กับคนที่ขายคนที่ซื้อจะขายสินค้าเนี่ยแต่ขายผ่อนกับคนที่ขายคนแรกเป็นพันสองพันสองแสดงว่าคนที่ขายสินค้านี่เขได้สินค้ามาเหมือนเดิมนะได้สินค้าเหมือนเดิมนะแต่เงินน่ะ ที่เข้าขายเนี่ยคนที่ซื้อเนี่ยเขาได้มาแต่ต้องจ่ายเท่าไหร่ได้มาหนึ่งพันแต่ต้องจ่ายเท่าไหร่พั0สองธนาคารอิส์ลามไม่ใช่แห่งกาักสถานนะไม่ใช่ธนาคารนิส์ลามแห่งนิวยอร์กอะไรพวกนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยแล้วเราจะอยากได้สินเชื่อเขาบอกว่าได้เลยแต่เราไม่ไม่ให้กูดอกเบี้ยนนะทาไมอะผิดพรบ ผิด พ, พรบเจ้าหน้าที่ที่ไม่รู่มุสลิมเขารู้เลยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะไม่บอกกันะว่าผิดหลกักการศาสนาเขาไม่รเรื่องผิด พ, พรบให้ดอกเบี้ยนี่ให้กูดกดด้ดอกเบี้ยโดยดอกเบี้ยผิดพรบผิดพระาพพระาชบาัญญัติผิดกฎหมายแต่ทํายังไงอ่ะขอสินเชื่อตามนี้ยังไงอ่ะซื้อเฟอร์นิเจอร์ของของธนาคารไม่ใช่เบี้ยว่าได้เฟอร์นิเจอร์ไม่นี่แหละซื้อเฟอร์นิเจอร์ของธนาคาร ซื้อท่าไหรอยากได้สินเชื่อเท่าไหร่ได้สินเชื่อล้านหนึ่งอ่ะซื้อคอนโดเจื่อสักล้านหนึ่งในสัญญาเป็นแบบนี้เลยนะซื้อคอนโดเชื่อล้านหนึ่งแล้วขายต่อให้ธนาคารเป็นเงินผ่อนมันจะขายแต่ไหนขายคินเชอร์เนี่ยเป็นเงินผ่อนตัวกลางเขาได้ไปแล้วเขาได้ไปแล้ว 1, หนึ่งพันเอหนึ่งแสนเอหนึ่งล้านได้ไปแล้วหนึ่งล้านแต่ต้องคืนธนาคารเท่าไหร่ หนล้านสองอันนี้เขาเรียกว่าไม่ออลอนะถ้าเท่ากับไปกรุงไทยไปกรุงเทพไปกิกันกู้ล้านหนึ่งแล้วก็คืนล้านสองแต่เขาบอกเขาเนี้ไม่ได้กู้นะอันนี้ขายซื้อขายกันนี่เนสัญญาซื้อขายชัดๆนี่ไงซื้อขายชัดๆเลยแล้วก็มีสินค้าด้วยโดยนิติ์ในเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าเป้าประสงค์ในในสัญญาซื้อขายเนี่ย ไม่ใช่แก้วตัวนี้ไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ใครจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ของธนาคารล斯兰จะไม่ใชอะไรอะเป้าหมายนี่ก็คือสินเชือ่อก็คือสตัง์นบีคู่อว่าจะพวกเจ้านี่ทิ้งดอกเบี้ยกันแล้วใช่ไ่มเป็นมุสลิมมาทิ้งดอกเบีย้ยไม่เอาดอกเบีย้ยแต่มารุมกันใช้อะไรนะรุมกันเพราะอะไรเป็นทางเลือกอื่นที่จะ ใช้สิ่งเชโดยที่ไม่ต้องมีดอกเบีย้ยอ้างว่าหนีดอกเบีย้ยไปแล้วแต่ที่จริงเนี่ยมันคือดอกเบีย้ยทาง อ, อง้อมมันคือดอกเบีย้ยทาง อ, อง้อมการค้าแบบไอีนะาเนี่ยซึ่งเรื่องนี้เขารู้กันมีมีวิธีเ น, นี่ตั้งแต่ตั้งแ ต, ง ต, ส ต, งตส่สมัยตั้งแต่สมัยจักรวรสมัยอาหรบโบราณเน่ยก็มีก็ ม, มีมีทํากันอย่างนี้มีวิธีหนึ่งไอรีน่าเนี่ยซื้อขายกับคนเดียวกัน มีอีกวิธีหนึ่งอันนี้เนี่ยเบาวกว่าและอุลามาบอกว่ามันเป็นทางออกมันเป็นทางออกสําหรับคนที่ต้องการศีลเชื่อจริงๆแล้วข้อห้ามของมันเนี่ยมันจะน้อยที่สุดเขาเรียกว่าบายาีบายวแต่ว่ารุกบียวแต่ว่ารุกหมาว่าคือต้องการธนบัตรเหมือนกันเขาต้องการธนบัตรต้องการเงินนะไม่ต้องการสินค้า ไปซื้อเครื่องซักผ้าจากบางเงยซีนบางเงยซีนก็ขายสดขายสดแล้วซื้อมาแล้วนี่นะจ่ายไปแล้วเนี่ยจ่ายไปแล้วเนี่ผ่อนหมื่นสองแต่ไม่ขายให้บางเยียซีนนะไปหนน่ะนู่นน่นนะซื้อมาเป็นเงินผ่อนหนึ่งมืสองแล้วก็ขายให้บางเงยซีนอีกทีหนึง่งหนึ่งมื่นได้มาหนึ่งหมื่นละแต่ตอนคืนเนี่ยต้องคืนเท่าไหร่นะหมื่นสอง แต่ะัวรุกเนี่ยอีกอย่างหนึง่งซื้อจากบางเงยซีนเนี่ย เ, เงินผ่อนนะหนึ่งมืนสองแต่ไปขายให้บางหมัดสดหนึ่งหมื่นตกลงฉันได้หนึ่งมื่นเงินสดนะแต่ต้องผ่อนให้บางเงยซีนคนละคนกันเลยนะโอลมวฟบอกว่านี่ข้อแตกต่างว่าคนที่ซื้อกันในคนละคนละและคนที่ซื้อขายในคนละคนละไม่เหมือนเบรอยหน้านี่เป็นคนเดียวกันซึ่งใบรอยหน้าเนี่ยมันจะดูว่ามันชัด กว่าในเรื่องความเป็นดอกเบีย้ยทางอ้อมนะแต่ใ่อตตารุกเนี่ยถ้าคนที่เราซื้อขายนี่จะเป็นคนละคนเลยนะข้อขอรหาว่าจะเป็นดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะน้อยลงถึงแม้ว่ามันจะมีนิดเดียวแต่มันจะน้อยลงมากอิบนุตัยมีย่บอกว่าสำหรับรูปแบบเนี้ยอันนี้เนี่ยสำหรับคนที่เดือดร้อนเงินจริงๆสามารถทาได้แต่ ธนาคารน่ะสถาบัานการเงินเนี่ยทาวิธีนี้ไม่ได้เอาจะหาใครอีกเจ้าหนึ่งอ่ะก็คือเขาเป็นเจ้าของเงินะจะหาอีกเจ้าหนึ่งก็ซื้อจากเราไปขายคนอื่นจะได้เอาส่วนต่างที่เป็นเงินสดนี่แล้วก็มาผ่อนจะผ่อนให้ใครอ่มันต้องเป็นธนาคารเป็นคนขายเป็นคนซื้อเขาจะได้มีส่วนต่างที่มันเป็นกําไรไงเออธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยอันนี้เนี่ยเขาจะได้กําไรเขาไม่ได้ดอกเบี้ยนะเขาได้กําไร แต่พี่น้องต่างศาสนาในเวลาเขาไปขอสินเชื่อนี่นะเขาก็าพูดตามภาษาของเขาอ่ะดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับพี่แล้วถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่มุสลิ ม, ม่ะที่เขาไม่เข้าใจนะอ่ะนะอ๋อดอกเบีย้ยกูอย่างนี้ดอกเบี้ยเท่านี้ในธนาคารนิสสรางประเทศและเรื่องนี้เนี่ยมีคนเคยร้องเรียนเข้ามาถึงบอร์ชีย์ร้องเรียนว่าเนี่ยไปเจ้าหน้าที่หลายคนเนี่ยพูดแบบนี้เลยต้องการสีนเชื่อ อ่าคุต้องทําแบบนี้นะก่อนก็นี้นะอ่าแล้วก็ดอกเบีย้ยเท่าไรครับเจ้าหน้าที่ก็ไม่ไม่คัดไม่อะไรนะไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่แสดงอรการิยอะไรนะกูะเท่านี้ดอกเบีย้ยกี่เปอร์เซ็นต์เท่านี้บำ ม, มัดเท่านี้ดอกเบีย้ยเท่านี้เทําให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยก็เข้าใจว่าธนาคารอิสลามเนี่ยก็ให้คู่ด้วยดอกเบีย้ยซึ่งมันผิดพรบรนะผิดกฎหมายเลยนะในพระราชะบัญญัติธนาคารอิสลามประเทศไทยเนี่ยการให้สินเชื่อโดย ดกเบีนผิดทั้ผิ ด, ผ, ดผิดพระบะผิดกฎหมายอะไรผิดกฎหมายนี่หมายถึงว่าธุรกรรมนั้นน่นนะโมฆะ ก, ก็ได้นะเออแล้วก็ปรากฏว่าอันนี้ก่อนก่อนที่ผมจะออกจากบ่อเชริอาเนี่ยคดีค ด, ดีลูกค้าธนาคารอิสลามที่ไม่ใช่มุสลิมไปรู้มาว่าไปรู้มาว่าการจ่ายดอกเบีย้ยเนี่ยมันผิดมันผิดกฎหมาย และปรากฏว่าธนาคารอิสลามเนี่ยสาหรับสำหรับลูกค้าบางคนที่ที่ไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้นี่เนี่ยนี่เสียเนี่ยเขาจะมีวิธีหนึ่งในการที่จะในการที่จะรีไฟแนนซ์หมายถึงว่าปรับโครงสร้างนี่ภาษาไทยเหรอปรับโครงสร้างนี่ปรับโครงสร้างนี่กับองค์กรเดียวกันก็โอเคแต่นี่เขาไปขายนี่มีวิธีขายนี่ ไปรีไฟแนนกับธนาคารหนึ่งที่เป็นดอกเบีย้ยทีนี้ลูกค้าก็เลยไม่จ่ายแล้วก็ฟ้องธนาคารว่าเขาทําสินเชกับธนาคารอิสลามแล้วก็ธนาคารอิสลามนี่ให้ดอกเบีย้ยผิดกฎหมายและจะไปรีไฟแนนซ์ให้ฉันเนี่ยไปจ่ายดอกเบีย้ยยังไงมันผิดกฎหมายปรากฏว่าชนะชันต้นแล้วก็ส่งเรื่องให้ให้บอกว่าจะทำยังไงเขาเขก็ผิด มันก็ผิดรีไฟแนนซ์ถ้าจะรีไฟแนนซ์ปรับโครงสร้างนีในใน่ในธนาคารอิสลามหรือให้องค์กรอื่นเช่นสากรต่างๆเนี่ยโอนหนี้ให้เขาเนี่ยรีไฟแนนซ์หนี้ให้เขาเนี่ยซึ่งเร่งขายนี่นมันก็มีปัญหาอยู่แล้วนะแต่สมมุติว่าจะโอนหนี้ให้คนอื่นที่เป็นมุสลิมด้วยกันหรือใช้ระบบอิสลามเหมือนกันนะนะนะพอได้แต่จะไป ให้ธนาคารดอกเบีย้ยรีไฟแนนซ์เวลาเขาจะทําเอกสารนะนะ<ช Year>เขาจะเขียนเลยนะแทนนี่ในเอกสารของธนาคารอิสลามเนี่ยใช้คําว่ากําไรใช้จ่ายกาไรให้ธนาคารอิสลามเนี่ยเขาจะเขียนเลยนะรีไฟแนนซ์ธนาคารดอกเบีย้ยนี่ดอกเบี้ยเท่านู้นเท่านี้ทั้งนั้น น, นี่เขานี่นะประสงค์ที่จะไม่จอดไม่จ่จายดอกเบีย้ยเขาทิ้งเขาไม่ได้เป็นอุสลิมนะแต่เขาหาช่องว่างตรงนี้ในกฎหมายจะได้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่นี่ เราชนะเพราะมันตามเนื้อผ้านะศาลนี่ก็ตัดสินตามเนื้อผ้ากนะ็จริงแต่ในาการ伊斯兰นี่จะจะจะใช้ดอกเบี้ยไม่ได้ผิดกฎหมายเดีนี้เห็นเขารีรีไฟแนนซ์เขาให้รีไฟแนนซ์ไม่รู้เขาเขาใช้เขาอ้างเห็นเห็นเขาทาได้แล้วะนะบอกสัญญาการอนุมัติแล้วเนี่ยผมไม่รู้เขาเขาทำวิธีไหนแต่บ้านเรานี่ทําได้ทุกอย่างตู้ขาวเขาทำได้ทุกอย่างแขกจะทําไม่ได้อะทําได้ทุกอย่าง ถ้าเป็นเรื่องสะดุ้งสะดังอะนะโอ้ทำได้ทุกอย่งางใครๆก็รู้เ <c oughs> ลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายนาบีบอกว่าถ้าค้าข า, ขายกันด้วยเงินนะแต่บริจาคทุนไปด้วนนะจะขัดตุมบปอั้นนับไปบักกรจับหางวัวอันนี้เป็นสำนวนจับหางวัวนี่หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าเลี้ยงปศุสัตว์จนกว่าปศุสัตว์เนี่ยเป็นสุดที่รักของพวกเจ้านี่มากกว่าทุกสิ่งทุกอย่งางนี่เกิดขึ้นสมัยอาหรับสมัยอาหรับนีบ่นะ รักอูดมากกว่าลูกถ้าอูดอูดอูดบางตัวนี่อูดสีขาวสีแดงเนี้ยอันนี้เป็นอูดที่มีค่างถ้าอูดตัวหนึ่งพวกนี้ในี่ตาอยอ่ะนะเสียเสียใจมากกว่าถ้าลูกเสียชีวิตถ้าประสุษต์ของพวกเจ้านี่เป็นสุดที่รักสำหรับพวกพวกเจ้านี่มากกว่ายัอยางอื่นเนี่ยจับผางวัวคำว่าจับผางวัวนี่ คนที่เลี้ยงปศุสัตว์นี่ไม่จะบผางสั์หรอกคนที่เลี้ยงเลี้ยงสัตว์นะั้ไม่จะบผางคนเลียเยเเยเ้ยงหมานี่จะบผางไหเลี้ยงแมวนี่จะบผางไหเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงวัวอย่างเงี้ยคนที่เลี้ยงวัวนี่จะบผางหัวไหมคนที่จะบผางคนเลี้ยงไม่เป็นแต่ น, น บ, บีนี่ไมารวมว่าจะพผางวัวนี่ก็คือคนงูแล้วอ่ะงูแล้วเนี่ยที่จะที่จะใช้ปศุสัตว์เนี่ยในทางของมันเนี่ยว่ามันมันเป็นผลประโยชน์ MS อย่างหนึ่ง แต่จะให้มันเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความสำคัญเย่าศาสนาศิลธรรมเนี่ยอันนั้นสแสดงว่างูวแล้วว่าคอนตุ่มเบียรนจับหงวัวว่ารอดีทุมบิสระพอใจในผลผลิตของเกษตรนี่ก็เหมือนกันเกี่ยวข้าวเกี่ยวผลผลิตของสวนได้ผลดีเหมือนชาวสวนที่เรา เ, าเล่าเรื่องในอุษาน โอ้ยผลละม่อยออกมาเยอะแยะเลยในะที่เราขายทั้งหมดนี้นะมันจะได้เท่านู้นโอ้ยแต่ทํายังไงดีอมันเป็นจารีตประเพณีตอนนั้นนะ่ะนะตอนเช้าเนี่ยคนยากคนจนเนี่ยเขาจะมาเนี่ยแล้วก็เจ้าของสวนเนี่ยเขาก็ต้องแบ่งออกสากาศให้คนยากคนจนพี่น้องที่เป็นเจ้าของสวนเนี่ยเขาบอกว่าเอาอย่างงี้ดิกลางคืนอนะ่ะมืดดึกเลยนะ่ะเราไปเก็บเกี่ยวเอาผลผลิตเนี่ยขนไปเลยก่อนเช้าตู่ ก่อนเช้ารุ่งเนี่ยก่อนที่พวกคนจนจะมาน่เราขนของไปหมดแล้วไปขายหมดเราจะได้ไม่ต้องออกสากาศวางอุบายว่านี่จะไปทำแบบนี้พอเดินทางไปกลางคืนไปถึงสวนของตัวเองอะนะเรียบเอาให้ฟ้าผ่านี่น้ไม่หมดเลยสวนนี้ไม่หมดเลยนี่เขาเห็นเขาพอใจในผลผลิตเห็นผลประโยชน์ของเขาเนี่ย ดีเลอร์สำคัญกว่าสิทธิของคนยากจนที่อัลลอ์สั่งใช้ให้แบ่งปันให้เขาให้ดูแลเขารดีตุมบปสิไรวตรักเหมือนกันนหะเห็นผลดีเห็นงามเห็นดีกับเงินเดือนมากกว่าสิ่งอื่นเห็นงามเห็นดีกับความสำราญความบันเทิงมากกว่ามากกว่าสิ่งที่โฆสนาได้สั่งสอนไว้วตารักตุมูลจละทิ้งการต่อสู้ เราบอกว่าจะลงโทษด้วยการให้มีความตกต่ํามไม่ปรากฏกับพวกเจ้าและจะไม่ถอดถอนความตกต่ํานี้จนกว่าจะกลับสู่ศาสนาของพวกเจ้าสแสดงว่าการที่เขาได้ได้หาทางการค้าที่เป็นดอกเบีย้ยทางอ้อมปศุสัตว์สําคัญกว่าคําสั่งสอนกเกษตรสําคัญกว่าคําสั่งสอนทิ้ง ทิ้งการ jihad การต่อสู้เพราะอย่างอื่นนี่มันสําคัญกว่าการต่อสู้ในหนังเรา่องของนักสัมพันธ์าวันต้แน่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือศาสนาไงสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือศาสนาเป็นไปนไม่ได้ที่อ๋อเราเราเลี้ยงปสัสสตว์เลี้ยงปสัสสตว์แต่ได้ละเว้นอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้เป็นคําสั่งสอนของศาสนาเช่นเราสมมติว่าเราเลี้ยงปุสัตว์แต่ไม่ได้ไปเรียน อะไรอย่าเลี้ยเรียกว่าอุสสตเราไปกีดยางแต่ไม่ไม่ไม่ไปเรียนโรงเรียนอันนี้ไม่ใชไม่ใช <t ots of falling> ่เป็นการทิ at ้งศาสนานะพัวเนี้ยเราบอกว่าต้องกลับไปสู่ศาสนาว่าที่เขาทิ้งอ่ะที่เขาเลือกเอาเกษตรเอาปรุสัตินี่คือเขาทิ้งศาสนาเลยอ่ะถึงเราถึงนบีบอกว่าจนกว่าพวกเจ้าต้องกลับไปสู่ศาสนาของพวกเจ้าศแสนาเขาทิ้งศาสนาไปเลยเขาไม่เอาศาสนาเลยเขามีด้วยเหรอ ในสังคมมุสลิมเนี่มยมนะีในประชาชาอิสลามเนี่ยมีเลยนะมีมีที่แลกเปลี่ยนศาสนาของตัวเองกับเกษตรกับปศุสัตว์กับสะดุ้งสตดั้งมีคือขายศาสนาไปเลยนะมีนี่ทั้งหมดเนี่ยมันก็ในทำนองเดียวกับอ้เรื่นี้นะครับที่อัลลอฮฺซุบฮิฮฺอัลลอฮฺได้ได้ใช้คําว่าอับบะอิเลกุมถ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นที่รักใครยิ่งกว่า แก่พวกเจ้าสักนพวกเจ้านี่แสดงว่าอัลลอฮ์เราละซุ่นเนี่ยต้องเป็นที่รักยิ่งมากกว่ามากกว่าบิดามารดาของพวกเจ้าพี่น้องของพวกเจ้าญาติพี่น้องของพวกเจ้าลูกๆของพวกเจ้าทรัพย์สินของพวกเจ้าแล้วอะไรกันการค้าของพวกเจ้าแล้วก็ที่อาศัยอยู่ของพวกเจ้าสําคัญกว่าในชีวิตของเราเนี่ยก็จะมีรายละเอียดที่พวกเราต้องเก็บตกระมัดระวัง อย่าให้มันเกิดขึ้นทำการค้าอย่าให้เรารู้สึกว่าวันหนึ่งการค้าของเราการดูแลลูกค้าของเราการดูแลสินค้าของเรานี่มันสำคัญกว่าสิ่งที่เราได้ใช้ไว้อ ม, มานะที่เราได้ฝากไว้การละหมาดความบริสุทธิ์ใจสแสวงหาสิ่ที่ฮลลลนีทั้งหมดนี่เป็นคาสั่งสอนการที่เรารักเงินรักสตังมากกว่า ที่จะให้ความสําคัญกับอมานะกับความบริสุทธิ์ความตรงไปตรงมาในการทำข้าวของการค้าของเราเนี่ยนี่จะเป็นจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นที่รักยิ่งมากกว่าอัลลอฮฺเราสุขคำว่าอัลลอฮฺเราสุข่มายถึงคำสั่งสอนของ All อัลลอฮฺเราสูขเดี๋ยวนี้มันก็มันก็มีเครื่องมืออะไรต่างๆที่มันจะเป็นเรื่องที่คล้ายๆคล้ายๆสิ่งเหล่าเนี้เรื่องความบันเทิง เรื่องเครื่องมือที่อำนวยความสะทิงและบางทีเราก็เห็นว่าพวกเราก็จะลาเอียงให้ความสําคัญกับมันมากกว่าคำสั่งสอนของศาสนาเรื่องสื่อสารนะเครื่องมือสื่อสารมือถือแล้วก็อุปกรณ์อะไรที่มันอยู่ในมือถือเช่นเกมหนังละคร อ, อะไรเหล่านี้ถ้าเหล่านี้เนี่ยมันสําคัญกว่าเราสูตมีสิ่งเดียวที่ผมขอทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ ท่านอันสิบเนมัลิกเนี่ยซอฮาบะฮของท่านนบีซอลลอฮเป็นซอทศนอุลอุลมนประัตาร์หะดษนบอกว่าน่าจะเป็นซาบะที่เสียชีวิตคนสุดท้ายอนสิบมาลิกเสียชีวิตอายุเกือบรอยปีนะเกือบรปีอันัิบมาลิกนีรับอิสลามอายุสิบขวบนบีมามาดินาพอดีนบีอยู่ที่มาดีนอีกปีแสดงว่าอนัิบมาลิกอยู่กับท่านนบีอีกปีอายุเท่าไหร่นะ20 นบีเสียชีวิตเนี่ยอันสมัยมีชีวิตหลังจากท่านับไอีกแปดสิบปีคุณรู้ไว่าเป็น صحاب าที่เสียชีวิตเขาสุดท้ายนะอันสมบยนม่ลิกเนี่ยเข้ามัสยิดที่เมืองบซุรอเนี่ยพราะแกไปแกก็บอยู่ที่บัสรอที่หลังเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีอะไรที่ยังหลงเหลืออยู่จากสมัยท่านนบีเนี่ยที่ฉันเคยใช้ชีวิตกับนบีและ صحاب าอูบักรูมแลอุสมาน ที่อาจารเคยใช้ชีวิตกับเขาเนี่ยไม่มีอะไรที่เหลือเลยเหลือนะ่ะจากยุคนั้นนะ่ะถึงยุคนี้เนี่ยผ่านไปแล้วในแปดสิบนั่นในศตวรรษแรกนะอันสัสมยังไม่ได้ข้ามศตวรรษที่สองนะเขาบอกว่ายังไม่มีอะไรที่เหลือนอกจากเรื่องเดียวเรื่องละหมาดแล้วดูสิละหมาดนี่พวกเจ้าทําเป็นแบบไหนกับใหม่ที่ว่าตอนนั้นอันนั้ก็ไม่พอใจแล้วว่าที่ยุคนั้นน่ะ น, นะเขาไม่ละหมาดเหมือนสมัยท่านนาบีอือสมุสมาศยุคนั้นนะ ไม่มีอะไรเหลือแล้วนอกจากละหมาดนั่นะนะนะยุคอานัสนะผมก็บอกกับพี่น้องตอนนี้เนะี่ยมันไม่มีอะไรที่เหลืออยู่นอกจากละหมาดพี่น้องลองดูดิอันนี้หมายถึงว่าเป็นกิจวัตรประจําวันนะที่จะผูกพันให้เรายังคงประกาศความเป็นมุสลิมความเป็นเบาของอัลลอฮ์ความจงรักภักดีต่ออัลลอฮ์อย่างละหมาดและจะช่วยด้วยหลายอย่างเพราะละหมาดนี่มันพ่สูจน ว่าเรารักละหมาดมากกว่างานรักละหมาดมากกว่าการเรียนรักละหมาดมากกว่าบันเทิงรักละหมาดมากกว่าสิ่งที่เราชอบทั้งหลายเพราะวเวลาละหมาดนี่มันจะมาทุกเวกตูเนี่ยมาท้าทายเรากําลังดูบอลกําลังดูละครกําลังยุ่งกับงานกําลังไปเที่ยวกําลังทํานู่นกําลังคุยกันนี่กลังดูนู่นดูนั่นอ้ามาเวลาละหมาดล้วนี่ไงจะทำยังไงเองจะทยังไงจึงอยากจะฝากไว้กับพี่น้องม่า เวลาละหมานี่ม ah ันเหลือแค่ละหมานมันไม่มันม่เดี๋ยวนี้เราไม่มีโอกาสที่จะไปเิฮาตต่อสู้เหมือนสมัยอ่อยู่ดีดีนี่นอนกอดนอนกอดเมียกอดลูกแล้วก็มีการประกาศให้ยาเจฮาต์นี่ทิ้งกูทิ้งเมียไปสู้กันไอ้บรรยากาศนี่นี่แต่งงานคืนแรกกันนะคืนแรกอะนอนกอดเมียอยู่นี่ประกาศเิฮาตนี่ไปเิฮาตนี่เสียชีวิตตอนนั้นเลย นบีบอกว่าเห็นมาไราันนี่มาอาบน้ําจรนาบ้าเขาแสดงว่าทิ้งเมียนี่ยังไม่ได้ละหมาดยังไม่ได้อานนังเจรนาบ้าเลยน่ะไอ้บัรยากาศของนี่ไม่ไม่ไม่น่าจะมีแล้วอะแต่ละหมาดนี่ยังมีอยู่อาซาเนี่ยเรายังได้ยินอยู่เวลาละหมานี่มันยังเตือนอยู่มันยังให้เราท้าทายกับตัวเราในการพิสูจน์ว่าอะไรที่จะเป็นที่รักยิ่งสําหรับเรานะรอละระซูล หรสิงล่านี้เนี่ยที่มันรอชีวิตทุกประการครับคงฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับอัลลอฮลาันอลลอฮซลล